สมถะญาณิเมื่อสําเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจัดแยกเป็นสองประเภทคือพระปัญญาวิมุตต์และพระอุปโตภาคาวิมุตต์ท่านที่ได้ฌานสมาบัติเพียงชั้นรูปฌานคือไม่เกินจตุตฌานเป็นปัญญาวิมุตต์ท่านที่ได้อารูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่งตลอดถึงได้สัญญาเวทยิตนิโรธเป็นอุปโตภาคาวิมุตต์ส่วนพระวิปัสสนาญานิก เป็นพระอรหันต์ได้แต่ประเภทปัญญาวิมุตต์อย่างเดียวและในชั้นอัตถกถาท่านบัญญัติชื่อให้เป็นพิเศษเรียกว่าพระสุขวิปัสสกะแปลว่าผู้เห็นแจ้งอย่างแห้งแง้งเพราะไม่ได้ฌานมาก่อนเจริญวิปัสนาพระสุขาวิปัสสกะนี้เป็นอันดับสุดท้ายในหมู่พระปัญญาวิมุตต์โดยในยน่านี้พระอัตถกถาจาร์จัดแบ่งพระอรหันต์ออกไปเป็นสิประเภท เป็นพระอุปโตภาคาวิมุตหะพระปัญญาวิมุตหะจัดเรียงจากสูงลงไปดังนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มกพระอุปโตภาคาวิมุตมีห้าประเภทได้แก่หนึ่งพระอุปโตภาคาวิมุตผู้ได้สัญญาเวทยิตานิโรธ 2. พระอุปโตภาคาวิมุตผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตสา พระอุปโตภาควิมุตตผู้ได้อากินจัญญายาตนะสมาบัติ 4. พระอุปโตภาควิมุตตผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติ 5. พระอุปโตภาควิมุตตผู้ได้อากาศานัญจายตนะสมาบัติกลุ่มที่สองกลุ่มขอพระปัญญาวิมุตตมีหประเภทนับต่อจากพระอุปโตภาคาวิมุตตได้แก่ พระปัญญาวิมุตต์ผู้ได้จะตติฌาน 7. พระปัญญาวิมุตต์ผู้ได้ตติยะฌาน 8. พระปัญญาวิมุตต์ผู้ได้ทุติยะฌาน 9. พระปัญญาวิมุตต์ผู้ได้ปฐมฌานซึ่งได้ก่อนทำวิปัสสนา 10. พระปัญญาวิมุตต์ผู้เป็นพระสุขาวิปัสสะได้แก่พระวิปัสสนาญาณิอันดับที่หนึ่งถ เป็นสมถตญาณิกอันดับที่สิบอันดับสุดท้ายเป็นวิปัสสนาญาิกหรือสุทธวิปัสสนาญาิกคำว่าสมถตญานิกวิปัสสนาญาณิกสุทธวิปัสสนาญาิกสุขวิปัสสกะเป็นคําในชั้นอัตถกฐาทางนั้นสำหรับพระอุปโตภาควิมุตติอย่างที่หนึ่งคือผู้ได้สัญญาเวทยิตาเนโรดนั้นพึงทราบว่าสมาบัติสูงสุดข้อนี้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 ที่จะรบ ก, กวนได้กามาฉันทะก็คือกามราคะเป็นสังโยชน์ที่พระอนาคามีขึ้นไปจึงจะละได้ดังนี้จึงมีแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์ผู้ได้สมาบัติแปมาก่อนแล้วเท่านั้นที่จะเข้าสัญญาเวทียิตานิโรธได้เรื่องสมถะญาณิกและวิปัสสนาญาณิกยังมีข้อควรทราบเพิ่มเติมอีกแต่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะพูดต่อไปจึงจะกล่าวถึงในตอนถัดจากนี้